วิธรรมะกันก็นแล้วกันเนาะอยจะถือว่าเป็นเทศอะไรหลวงพ่อเทศไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่กาจะอจะบอกวิธีการฝึกสติการจเจริญสติในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่แหละเพราะส่วนมากเราจะภาวนาเฉพาะเวลานั่งหลับตาเทาเป็นส่วนมากอ่าแต่เวลาเราไม่ได้หลับตาเราก็ไม่ได้กำหนดสตินะเราก็จะต่อยไปตามยะถากรรม แล้วแต่มันจะคิดไปไหนแล้วก็ตามความคิดไปทั้งวันปกติถ้าเราไม่ได้กำหนดสติมันจะเป็นแบบนั้นโดยหลักธรรมชาติของมันจะเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้เราหลังจากเราสมมุติเรานั่งหลับตาแล้วเราเลิกจากการนั่งหลับตามาเราเคลื่อนไหวไปไหนแล้วก็ต้องรู้สึกตัวไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนทำกิจวัตรประจำวันอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะ สติให้ติดแนบไปกับตัวอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอก็เอามารู้ตัวเหมือนเดิมเนี่ยก็เรียกเจริญสติให้มันรู้ตัวต่อเนื่องทั้งวันเราก็จะได้ภาวนาทั้งวันเราไม่จะไ ม, ไม่จาเป็นที่จะต้องรอเวลานั่งหลับตาเวลามีเวลาหลับตาแล้วก็หลับตาไปจกบริกรรมพุทโธหรือจะหายใจเขา้าพุทออกโธก็แล้วแต่แล้วก็ทำไปในรูปแบบ ในรูปแบบแลว้วก็ทำไปแบบนั้นตามที่เราเคยทำมาแต่ว่านอกรูปแบบตอนที่เราไม่ได้นั่งหลับตาเนี่ยเราก็ต้องทำทุกสติตลอดเวลาให้มันรู้ตัวนะจิตจวัดประจำวันหลวงพ่อก็จะพูดตั้งแต่ตื่นนอนเลยก็ได้ตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยเราลุกจากที่นอนไปเราเดินไปห้องน้ำเราก็ต้องรู้สึกตัวแล้วว่าเราเดินไป มีสติรู้ตัวว่าเดินอยู่ไปเปิดประตูห้องน้ำก็มีสติรู้ว่าเปิดห้องน้ำเปิดประตูนะเข้าไปในห้องน้ำไปหยิบแปรงสีฟันมาก็รู้เอาอยาสีฟันมาบีบใส่แปรงสีฟันก็รู้แปรงฟันอยู่ก็รู้มีสติรู้ตัวอยู่นั่นบ้นวนปากก็รู้ล้างหน้าอยู่ก็รู้เช็ดหน้าอยู่ก็รู้ จะถ่ายนักถ่ายเบาอยู่ก็รู้เดินออกมาจากห้องน้ำก็รู้จะไปแต่งหน้าทาปากทำอะไรอยู่ก็รู้ตัวอยู่ตลอดแบบนั้นมันเผลอเอามารู้ตัวเหมือนเดิมทำอยู่อย่างนั้นให้มันเตือนอยู่อย่างนั้นทั้งวันนะมีสติรู้ตัวอยู่อย่างนั้นตลอดเวลามันเผลอเอามารู้ตัวเหมือนเดิมมันก็จะเผลออยู่ด้วยละหม่ไหมนะแค่ความเคยชินของมันนะ มันเถิ่มมันเถิ่เมื่อไรมันกับไปอดีตอนาคตไปอดีตอนาคตมันก็ไปหลงเพียดหลงรักหลงชังใครก็ไม่รู้มันสวนจิตออกนอกแล้วมันก็ไปสารพัดแหละเดี๋ยวอาจจะไปจับผิดคนนู้นไปเพ่งโทษคนนี้มันก็เป็นไปได้หมดพรอมจิตออกนอกแล้วมันสติเราไม่ทันมันก็มันก็สารพัดที่มันจะไปเนีไยเนี่ยคือวิธีเราจะฝึกสติ เราก็เอากลับมารู้ตัวเหมือนเดิมนะมนเผื่อไปเอามารู้ตัวนะเผือทั้งวันก็เอามารู้ตัวทั้งวันใน ม, มีสติอยู่อย่างนี้นะเราอย่าป่อยให้มันล่องลอยไหลไปกับอารมณ์ไหลไปกับความคิดปรุงแต่งในเผือไปเราเรารีบเอากลับมานะได้ภาวนาทั้งวันถ้าเราทําวิธีนี้นะเราไม่ไม่ใช่จะรอเวลาแต่นั่งหลับตาค่อยว่าภาวนาแต่บางทีนะหลวงพ่อก็เคยเป็น นั่งหลับตาบอดิกรรมเรื่องหายใจเข้าพุดออกตัวมันยิ่งคิดมากกว่าเราไม่นั่งหลับตาอีกก็มีบางทีก็ไม่ทันหรอกแต่ถ้าเราได้ฝึกสติทั้งวันอย่างนี้แล้วนะ่ะมันมันจะสงบไปถ้าจะเอาความสงบนะมันก็จะสงบเร็วเพราะเราได้ภาวนาทั้งวันแล้วเราต้องต้องทําอย่างนีนะ้เวลาภาวนาอย่าไปอย่าไปเน้นมากแต่ความสงบอย่าไปเน้นความสงบมากนะนะั่นแหละเพราะส่วนมากนี่ก็ เน้นแต่ความสงบตามแม้แต่หลวงพ่อเองก็เคยเน้นความสงบมาอาจจะเอาให้ความสงบนั้นนะ่ะหลับตาลงแล้อยากจะให้มันสงบเดี๋ยวนี้แหละอพอมันคิดออกไปก็งุนงิดได้ยินเสียงอะไรมากระทบนัง่งหลับตาเขาเสียงเขาเดินผ่านมาหรือทำนู่นทำนี่มันก็งุนงิดขึ้นมาอีกเพราะสติเราไม่ทันมันเราเราเน้นแต่ความสงบใช่ไหมละ่ะเราเราอยากให้มันสงบคือคืออยากมากเกินไปนั่นแนะ่ละ แต่ปกติแล้วเนี่ยมันเถลอไปเราแค่เอากลับมารู้ตัวเท่านั้นเองถึงเราจะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทยังเงี้ยมันมันแวบออกไปคิดอดีตอนาคตเอากลับมารู้ตัวเอาลมเข้าพุทออกโทยเงี้ยมันเดิมแค่นี้ไม่ต้องไปหมุนดิตให้มันนะไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปหงุดหงิดเอากลับแค่เอากลับมารู้ตัวทําแบบสบายๆอย่างเงี้ยมันไม่เป็นการบีบบังคับตัวเองเท่าเราทําอย่างนี้นะมันเถลอไปแล้วเอากลับมารู้เหมือนเดิมมาอยู่กัลมเข้าออกเหมือนเดิม ถ้าเราเอาลมเข้าออกนะแต่การทาแบบนี้สบายหลังจากเลิกกลับตาแล้วก็อย่างที่ว่าเราจะเดินไปไหนก็สติติดแนบไปกับตัวอย่าปล่อยสตินี้ปล่อยไม่ได้ปล่อยเมื่อไหรก่ก็ไปแล้วนะไปอดีตไปอนาคตมันไปนั่นแหละทางเคยที่มันเคยไปนั่นมันจะไปทางที่มันเคยไปนั่นมันความเคยชินของมันเราก็เอากลับมารู้ตัวอีกอย่าไปกับมัน ไปก็มันก็พาไปทุกน่ะไม่ไปพาไปสุขหรนะอกจะไปคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตอคนไปชอบไปชังอ่ะแหละนะสงงโงจิตออกนอกแล้วก็เป็นงนั้นเนี่ยนะก็ไปหาเพียงโทษกันคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีแต่เรื่องมองย้อนมาดูตัวเองไม่รู้ว่าเราดีแค่ไหนส่วนมากถ้าโรงจิตออกนอกากาจะเป็นแบบนั้นะจะเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่นนะอ่า ความไม่ดีของตัวเองจะไม่เห็นมันจะเข้าข้างตัวเองหมดนั่นแหละไม่ว่าเราว่าเขาเหมือนกันหมดเพราะมันยังมีตัวอยู่มันจะค่อยๆเข้าข้างตัวเองค่อยปกค่อยป้องจะผิดขนาดไหนก็ว่าตัวเองถูกนี่โดยหลักธรรมชาติของของแต่ละคนมันจะเป็นเหมือนกันหมดแม้แต่หลวงพ่อก็เคยเป็นมาหมดอย่างนี้นะอ่ามันเหมือนกันเพราะสติเราไม่ทำเราไม่มีสตนะิเราเน้นแต่ความสงบพอหลับตา ภาวนาเขา้าไปอยากให้มันสงบเลยแต่ก็มันก็ไม่ได้ดังที่ใจเราคิดหรอกพอไม่ได้ดังใจเราคิดเราก็หงุดหงิดแล้วเียนมันคิดออกไปแล้วก็หงุดหงิดอเอากลับมารู้ตัวมันเดิมไม่ต้องไปหงุดหงิดกับมันเอามาอยู่กับลมเข้าพุดออกทมันเดิมถ้าเราเอาลมพุทธทันะแต่ถ้าเรานั่งแล้วก็หายใจเข้าพุดออกโทมันเดิมมันไปอีกกเอากลับม า, ข า, าเข้าพูดออกทมันเดิมแต่ถ้าเราไม่ได้นั่งหลับจานะเราเดินเราทาํางานยันชีวิตประจําวันของเราเนี่ย เราก็เอากลับมาอยู่กับงานที่เราทำเราทำอะไรบ้างงานงานในชีวิตประจำวันเราทำอะไรบ้างเอามาสติมาอยู่กับงานถ้าอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เราก็ลังกดกาลังพิดงานอยู่เรากิ้นตรงไหนแล้วก็มีสติรู้อยู่กับงานที่เราทำมัเผลอไปอีกเอากมา็มารู้อีกงานจะไม่เสียถ้าเรามีสติงานจะไม่เสี ย, าาส ง, าสยงานจะออกมาดีนะสวดมนต์อยู่ก็จะไม่สวดผิดถ้าสติอยู่กับตัวนะ แต่ถ้าทำเนีสติไม่อยู่กับตัวปากก็สวดแปลแต่ใจไม่อยู่ด้วยก็สวดผิดแล้วก็หกลงก็ลืมอมันสําคัญอยู่ที่สตินะภาวนาไม่ใช่เราจะเป็นแคน่แต่ความสงบนะบางทีภาวนามา20ปี30 40, ปีก็มีแต่ก็ติดความสงบอยู่นั่นไปไหนไม่ได้นะก็วนเวียนอยู่กับความสงบแต่วันไหนก็หายใจเขาพูดด อ, อกทยอยอีกแค่นี้บางคน50 60ปีก็มีอย่าตามที่หลวงพอ่อที่ยิงมายนะ ก็แค่นั้นแ่ะนะเหมือนคนไม่เดินเหมือนเรานั่งอยู่กับที่เงี้ยมันไม่มีโอกาสจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้พอเราไม่ได้เดินเดินคือมีสติรู้ตัวตลอดเวลานี่คือเดินเพราะความเพียรเพียร น, นี่คือสติสติเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางคือสตินะีสติมันก็มีสมาธิึ้นมาสะสมกระสิลังสติไปเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดสมาธิจิตมันจะตั้งมั่น มันจะไม่วันไหวไปกับอารมณ์ทีนี้มันก็จะเห็นความคิดจะทันความคิดนี่แมันก็จะได้ต้นทางทำทันความคิดเห็นความคิดกันจะเห็นมันคิดนี่แหละแต่ก่อนมีแต่เราคิดนะเราไม่เห็นมันคิดทำนู่นทำนี่เราก็มีแต่เราทำอันนี้จะเห็นมันคิดจะเห็นกกลมันทำนู่นทานี่เห็นกกลมันเดินเห็นไกยมันอาบน้ำเห็นไกลมันกินข้าว เห็นกายมันล้างถ้วยล้างจานจะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เขาเรียกอผู้รู้เนี่ยมันก็จะเห็นกายเดินไปไห น, นก็เห็นตลอดเลยกายจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวผู้รู้จะตามรู้ตามเห็นตลอดเขาเรียกว่าผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้อา่ามันก็จะเห็นไปเรื่อยนอะนะทีนี้ความเป็นตัวตนมันจะน้อยลงแนละวพอเราไปเห็นมันมันไม่ใช่เราเป็นเราเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นเรานะ เราเดินเ้าเดินก็เราเดินแต่ที่นี้เราจะเห็นมันเดินเห็นกายมันเดิน น, ะ, นะมันจะแตกต่างกันแบบนี้ถ้าเราฝึกจิตมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราบริกรรมหายใจเขาพุาทธออกทัวอยู่อย่างเดียวมันจะไม่เห็นแบบนี้นะมันจะได้ความสงบมีความสงบส่วนมากแล้วจะติดนะติดความสงบยี่สิบปีสามสิบปีก็ติดอยู่นั่นบางทีก็สงบมากก็เห็นนิดๆพอเห็นนิดก็ไปกัอนนิดอีก หลงจิตความสงบบ้างหลงจิตไปกับนิมิตบ้างเคยเป็นนั่นเป็นนี่ไปบ้างเคยสารพัดนะมันออกนอกหมดแล้วนะถ้าว่าทรงจิตออกนอกก็ออกนอกหมดมันเห็นภายนอกมันไม่เห็นภายในถ้าเห็นภายในคือเห็นกายมันเดินเห็นมันชิดนี่ชิดนี่มันก็ตรงทันถ้าเห็นเห็นภายนภายในจะเห็นหลังถ้าเห็นอยู่ข้างในจิเลสจะบางนะแต่ถ้าเห็นข้างนอกจิเลสเต็มร้อยเหมือนเดิมไปเห็น กิจชาเคยเป็นนังขึ้นนี้ก็แล้วแต่ละมันส่งกิตออกนอกหมดกิเลสเต็มร้อยมันเดิมมันช่วยให้กิเลสเบาบางไม่ได้หรอกตัวที่จะช่วยให้กิเลสเบาบางได้คือสติมีสติแล้วมันจะมีสมาธิขึ้นมาแล้วมันถึงจะเกิดปัญญาสมาสติสมาธิปัญญามันจะไปด้วยกันทีนี้พอมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แล้วพอพอเห็นมันคิดมันจะเห็นการเกิดดับ ทีนี้พอทันความคิด น, นะมันจะเห็นการเกิดดับคิดขึ้นมารูกทันมันดับในสติมันจะทันมันจะเป็นวิปัสสนาแล้วถ้าเห็นการเกิดดับนอถ้าทันวิธีอย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยมันจะไม่ต้องพิจารณากายนะเพราะที่เราหลงก็เราหลงไปกับความคิดนี่เองอที่เราหลงเกิดลาคะขึ้นมาก็เกิดจากความคิดตาเห็นรูกนะผู้ชายเห็นรูกผู้หญิงหรือผู้หญิงเห็นรูปผู้ชาย เห็นแล้วจะเอามาคิดมาปรุงมาแต่งเกิดความชอบขึ้นมามันก็เกิดเป็นราคะขึ้นมาถ้าคิดไปทางราคะก็เป็นราคะไม่เกิดจากความคิดเราเนี่ยเพราะสติเราไม่ทันความคิดแค่นี้มันมีแค่นี้แหละเพราะเกิดจากความคิดที่ไม่มีสติทันมันเนี่ยสติไม่ทันความคิดมันมีแค่นี้ที่ทุกข์เนี่ยทุกข์ทเพราะความคิดเนี่ยคิดขึ้นมาก็ไปกับความคิดทันทีใช่ไหม โกรธขึ้นมาก็ไปเป็นกับความโกรธเนี่ยพรลองสติไม่ทันแต่ถ้าสติทําจะเห็นมันโกรธนะเราไม่ได้โกรธเห็นแต่มันโกรธแต่จะเราจะไม่ไปกับความโกรธเห็นมันคิดแต่เราจะไม่ไปกับความคิดเนีย่ยมันจะเป็นแบบนี้พอฝึกสติไปเรื่อยๆต่อไปจะเป็นแบบนี้แล้วทุกเราจะน้อยลงทีนี้ทุกเราจะเบาบางลงไปเรื่อยสติรู้ทันไปเท่าไหร่ทุกก็เบาบางลงเท่านั้น ที่เราทุกข์ก็เพราะเราเถื่อไปกับความคิดหลงไปกับความคิดอมันไม่ได้ทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่ทันความคิดนี่เองทําไมถึงไม่ทันเพราะเราไม่มีสติเพราะเราเน้นแต่ความสงบอย่างเดียวนะอไปเน้นเอาแต่ความสงบนั่งลงก็อยากจะให้สงบสิบปียี่สิบปีก็จะให้สงบอย่างนั้นเลยไม่ไปไหนก็ไม่ทันความโกรธเหมือนเดิม ย, ยิ่งสงบมากยิ่งโกรธง่าย เราก็อลองถามดูก็ได้เครใครเคยสงบมาก่อนนะายึ่งสงหบมากยิ่งโกรธง่ายบางทีผู้หญิงก็เข้าวัดตั้งใจแต่เล็กแต่น้อยก็มีอายุสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยเข้าวัดภาวนาแล้วพอแต่งงานไปกั บ, กบภาวนาไปด้วยจนอาย 50, ุห้าสิบหกสิบปีเอาความสงบอยู่งนั่นนะแต่พอแฟนด่าให้หน่อยก็โกรธอีกจนแฟน่ว่าให้ทําไม ก็ไปภาวนาตั้งแต่เป็นสาวหลุ่นแล้วทําไมป่านนี้ก็ยังโกรธอยู่ไม่ทันความโกรธเนะี่ยเขาเล่าให้ฟังเลยไม่ทันทำหลวงพ่อถามใครก็ไม่ทันลรความปวดท่านเน้นความสงบนะคนตัวที่จะทันความโกรธคือสตินะให้เน้นสติอย่ไปเน้นความสงบเพราะถ้าเราเน้นสติเน้นความรู้สึกตัวเราจะได้ภาวนาทั้งวันได้ภาวนาตั้งแต่ตื่ตตนนอนจนหลับอย่างที่หลวงพ่อบอกทีแรกใช่ไหม ตื่นอนมากับเดินไปห้องน้ำก็รู้ทําอะไรกิจวัตรประจํำวันรู้อยู่ตลอดนะเห็นไหมมันมันเผอเอามารูปเนี่ยเนี่ยคือฝึกสติแบบนี้มันจะสงบแบบแบบไม่ได้นั่งหลับตาอ่ามันจะสงบไม่ได้นั่งหลับตาเพราะว่ามันจะทันมันเผยก็เอามารูปตัวะมันจะสงบแบบนี้ไปต่อไปจนมันมันทันความคิดอ่ามันก็จะสงบจากกิเลสไปพร้อมกันถ้าทําวิธีนี่นะหลวงพ่อจะก็ทํามาหลายวิธีนะ ทงบริกรรมพุทโตัวันหายใจเขาพุทธออกโทก็ทำมาหมดพิจารณากายหลวงพ่อก็ทำมาหมดนะแต่ที่นี่มันก็มันเป็นได้หมดนะมันมันถูกทุกวิธีนะไม่ใช่ไม่ถูกนะถูกทุกวิธีแต่ที่นี่ว่ามันทำแล้วหลวงพ่อทำวิธีนั้นหลวงพ่อในความคิดหลวงพ่อนะมันมันมันช้ามันมันมันเห็นผลช้าน่ะอันนี้ฝึกสติสึกตัวไปนี่มันจะเข้าไป เห็นจิตจะไปทันความคิดเลยต่อไปมันก็จะไปเห็นผู้รู้่ยมันจะไปถึงผู้รู้เลยถ้าทำวิธีนี่ผู้รู้อันนั้นก็ไม่ใช่เรานะอย่าไปคิดว่าผู้รู้เป็นเรานะผู้รู้อันนั้นก็ยังเป็นผู้หลงอยู่เหมือนเดิมเนี่ยอ่ามันผู้รู้ก็เป็นผู้หลงผู้รู้อันนั้นก็ไม่ใช่เราก็เราก็ต้องจัดการผู้รู้อันนั้นอีกจนไม่มีเราอยู่ในรู้นั่นแหละนะจนหมดรู้จนไม่มีเราอยู่ในรู้ ยัไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างนู่นนะฟุกไปมันจะเป็นแบบนั้นถ้าทําวิธีนี้มันจะไม่ต้องใช้ความคิดมันมันจะไม่ต้องพิจารณาเพราะทุกสิ่งอย่างความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากความคิดทําไมมันถึงทุกข์เพราะความคิดเพราะสติเราไม่ทันความคิดเราเลยไปกับความคิดมันโกรธเราก็ก็ไปเป็นอันเดียวกับความโกรธมันหงุดหงิดล้วก็ไปเป็นอันเดียวกับความหงุดหิด มันยินดีรยินร้ายพอใจไม่พอใจเราก็เข้าไปเจนอันเดียวกับมันเพราะสติเราไม่ทันมันมีตัวมีตนไปกับความคิดเนี้ยก็สังเกตดูก็ไดเ้เราคิดไปไหนมันจะมีเราอยู่ในความคิดตลอดความตนกูเนี่ยอยู่ในความคิดตลอดเพราะสติไม่ทันทุกเนี่ยพอไปกับความคิดเนี่ยยังหยุดความคิดไม่ได้ใช่อตัวที่ไปกับความคิดเนี่ยต้องหยุดตัวนั้นให้ได้ ความคิดนี่เขาเขามีโดยหลักธรรมชาติเขานะไม่ใช่เรานะความคิดมันเป็นขันธ์เฉยๆเป็นสังขารขันธ์ห้านะขันธ์ห้าก็มีรูปนะรูปก็ ค, คือร่างกายที่เรามองเห็นด้วยตารูปเวท น, นาก็สุขทุกข์เฉยๆสัญญากับความจำํำความจําจได้เดี๋ยวก็หลงก็เลี้ยมน่ะมันก็ไม่เที่ยงกันนะสังขารกับความคิดปรงุงแต่งนะ่ะ ม, มันคิดปรงุงแต่งแล้วเขทันเรียกานะ ยินยานกับความรับทราบนะมองเห็นกับรู้ไหวใทยว่าหญิงแล้วก็เกิดแล้วก็ดับรับทราบแล้วก็ดับหูได้ยินเสียงเกิดแล้วก็ดับมันก็แค่นั้นรับทราบอย่างเดียวมันก็ดับก็ส่งมหาใจหมดนี่นแหละพูดถึงส่งมหาจิตจิต เ, เป็นคนรับช่วงต่อมาปุุงมาแต่งมาชอบไม่ชอบอันนั้นเขาเรียกขันห้าความคิดปรุงแต่งเขาเรียกขันห้ามันเป็นขันมันไม่ใช่เราแต่จิตผู้รู้นัมอีกอันนึ่งไม่ไม่ไม่ใช่ขันไม่ใช่ขันห้าอนี้ ทีนี้เรายังแยกไม่ออกเพราะเรายังไม่มีสติอันนี้พูดว่าให้ฟังไล่ให้ฟังดูมันจะได้รู้ว่าไอ้จิตกับขันห้ามันไม่ใช่อันเดียวกันว่าความคิดกับกจิตเนี่ยมันไม่ใช่อันเดียวกันอ่ามันแยกไม่ออกมันก็เป็นอันเดียวกันแหละต่อไปมันถึงจะเข้าใจว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เรานี่ยแหละมันจะไม่มีเรานี่ยเราคิดเนี่ยเราฝึกสติไปเรื่อยๆมันจะ มันจะเข้าใจไปเรื่อยเอง่ทีแรกมันก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่ามันมันยังเป็นเราหมดทุกอย่างแล้วแม้แต่ความคิดก็เป็นเราแม้แต่ความจําก็เป็นเราจําได้อ่าแต่คิดปรุงแต่ไปไหนก็เป็นเราหมดอ่ะทุกข์ก็เป็นเราทุกข์สุขก็เป็นเราสุขเนี่ยเพราะเพราเรายังแยกไม่ออกมันก็จะหลงไปกับเขาเนี่ยแต่ทีนี้พอเราฝึกสติไปเรื่อยๆมันจะทันมันจะทันความคิดเนี่ยแหละมันไม่ได้ทันอะไรหรอก พอทุกข์มันเกิดจากความคิดถ้าเราทันความคิดเราจะทุกข์ก็น้อยลงแล้วเราก็ไม่ไปกับความคิดเนี่ยมันโกรธมาก็ไม่ไปกับความโกรธเนี่ยคือคือมันจะหยุดได้แบบนี้ตัวที่จะหยุดมันได้คือสตินะเราอยาเป็นนั่นแต่ความสงบนะหลวงพ่อคุยทั้งพาคทั้งโยมหลวงพ่อคุยมังวดชวนน่าจะจะเน้นความสงบแบบนี้นะพระบางองค์กับสามสิบพรรษายังบริกรรมอยู่เนี่ยยังไม่ไปไหนก็ติดความสงบไปไม่เป็ีนเหมือนกันอ่ ถ้าแต่ถ้ามีความสงบอย่างนั้นอยู่แล้วเอามาฝึกสติรู้ตัวอย่างนี้นะมันจะมันจะไวเพราะเรามีพื้นฐานของความสงบอยู่แล้วฝึกสติรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะมันจะเดี๋ยวมันก็จะเห็นความคิดจะทันความคิดแล้วมันจะทันความคิดมันก็เบาหมดแล้วนะมันคิดมากับรู้ทันมันโกรธมากับรู้ทันรู้ทันไม่ไปกับมันมันก็ดับนะเพราะธรรมชาติมันเกิดดับอย่างนั้นอยู่แล้ว แต่ทีนี้สติเราไม่ทันมันเลยไม่ดับพราะเราไปคิดไปปรุงไปแต่งเป็นเรื่องบันราวบางทีโกรธเดือนหนึงก็ยังไม่หายเจอหน้ากันทีไรก็โกรธทุกครั้งแค่เดือนสวนกันเนี่ยผลผนไม่ถูกกันเดือนสวนกันนี่เกิดป่อแรงแล้วนะในใจเนี่ยมันไม่ไู้พูดอะไรออกมาล่างมันไม่ออกปากมันก็พูดอยู่ในใจนั่นะ่ะเป็นเกิดเป็นความอาฆาตพยาบาทถูกเวนแทนที่จะเอาโหสีกรรมให้กันนะมันก็อาฆาตพยาบาทถูกเวนกระทุ ก็เรานี่นยแหละทุกบางทีคนนั้นเขาอาจจะไม่โกรธแค่เราก็ได้แต่เราโกรธที่เขาเราก็ทุกแต่คนนั้นเขานอนสบายนะเขาไม่ทุกแต่เราทุกอเพราะเราโกรธเราไปโกรธกับมันอ่ตัวตนมันทําให้เป็นแบบนั้นเพรมันมีตัวมี ต, มตนนะเพราสติเราไม่ทันทั้งหมดแล้วก็มีสติอันเดียวเราไม่ทันมันแล้วก็เลยเดินโดนความคิดเนี่ยหลอกทั้งวันหลอกให้เดี๋ยวก็หลอกให้ดีใจเดี๋ยวก็หลอกให้เสียใจเดี๋ยวก็หลอกให้พอใจไม่พอใจเดี๋ยวก็หลอกให้หงุดหงิด พอเขาพูดไม่เข้าหูก็มุนยิบอีกแล้วเนี่ยมันหลอกได้ทั้งวันเลยความคิดเพราะเราไม่ทันมั้งนะเราไม่ทันความคิดเพราะเราเป็นอันเดียวกับมันเนมัก็เลยทุกไปกับความคิดแต่ถ้าเราฝึกสติย่างนี้ไปจะทันความคิดเห็นมันคิดแล้วเจ้าไม่ไกลกับความคิดอยู่ที่สติอันเดียวนะฝึกเข้าไปเนี่ยหลวงพ่อบอกนี่มันมันไม่ใช่วิธียากหรอกพราอมันไม่ได้สลับจับซ้อนหลวงพ่อก็ทํามาหลายวิธีอย่างที่บอกนะ ท่องบริกรรมพุทโธตัณหใจก็พุทโธสงบมาสติติดความสงบแต่ก็ไม่มีสติปัญญาจะไปไหนได้แล้ก็วนเวียนอยู่งั้นแต่ถ้ามามีสงบอย่างนั้นแล้วเรามาฝึกรู้สึกตัวเนี่ยมันจะมันจะเป็นไหวมันจะเฉินความคิดมันจะทันความคิดอ่ามันมันทุกข์เพราะความคิดใช่ไหมใครทุกข์เพราะความคิดบ้างะมก็อนั่นแหละ ก็ที่มันทุกข์เพราะเราเรามีตัวมีตนว่าความคิดอันนั้นเป็นเราก็เมื่อกี้หลวงพ่อเล่าไล่ให้ฟังแล้วว่าความคิดมันเป็นสังขารตุ้งแต่งมันเป็นขันมันไม่ใช่เรามันเป็นแช่ขันนะยึดแล้วมันกระดับปกติเขาจะเป็นดันแต่เราไปยึดมันเป็นตัวเป็นตนขึดมายิงเปนปัยิ่งหลงอ้าวกิดก็หลงนั่นแหละเพราะสติเราไม่ทันมันเรามีสติถ้าเราจะเป็นนั่งหลับตาบริกรรมอย่างเดียวก็หลงอยู่ตรงนั้นสามสิบสี่สิปีก็ พูดใหเขาหูกระโกรดเหมือนเดิมก็หลวงพ่อเป็นมาจะว่าไปก็ขายที่หน้าตัวเองอย่างนีน้แหละนะเคยเป็นมาแบบนั้นอาจริงยังหลงอยู่เ ห, เหมือนกันยังหลงอยู่ก็ อ, อันเดียวกันเนี่ยหลงว่ามีตัวมีตัว อ, อวตัวนนี้เป็นของเขาเองเเ อ, เออนั่นแหละนั่นแหละอขาดสติปุ๊บ ก, ก็บไปกันเลยเไปกับเขาเลยทันทีไปเ<ไ>ป็นอันเดียวกับเขาเลยเพราะสติเราไม่ทันมันมัอยูุสติอันเดียวกับคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ไม่ได้มีมาก อยูที่สติอันเดียวว่ารวมลงแล้วเนี่ยคําสอนทุติเจ้าทั้งหมดทั้งมวลรวมอยู่ที่สติอันเดียวตัวขับเคลื่อนที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานคือสติแต่เราไม่ได้เน้นสติเราไปเน้นความรู้สึกตัวเราไปนเน้นแต่ความสงบนั่งหลับจามอะไรก็อยากจะให้มันสงบไม่อยากให้มันคิดเนะพราะมันคิดก็ทุกขึ้นมาแล้วไม่ชอบใจอแล้วงุ่นง่ดอีแล้วธรรมชาติมันจะต้องคิดนะมันเป็นธรรมชาติของมัน มันคิดแล้วก็กลับมารู้ตัวมันเดิมมาอยู่กับลมเข้าออกมันเดิมที่เรานั่งไม่ต้องไปหุนหิตทําแบบสบายๆนะอย่าไปเครีย ด, ด, ดกับการภาวนาอย่าไปเครียดยิ่งนั่งก็ยิ่งเครียดแต่เขาเครียดแล้วนั่งเลยไม่นานหรอก้อหุนหิตก็ลุกแล้วพอแค่นี้ทำไมไหวล่วะก <c oughs> ิเลสยุ่งจมูจมกบอกให้หยุดก็ต้องหยุดอีกลไ้ไม่ทันสติไม่ทันมันก็เป็นงั้นนะนะมันอย่ทีสติเราไม่ทันกลมายาของกิเลสกิเลสมัน เราก็ยังว่ามันเป็นผ่านรับใช้เข้ามานานแล้วเขาสั่งยังไงก็ต้องทําตามเขาสั่งให้โกรธล้วก็ต้องรีบโกรธให้มันสั่งให้บุญยิตก็ต้องหุหญยิตให้มันจะฝืนได้ก็นานกันเออมันไม่เหลือวิสัยหรอกผมก็จะจอยู่เราจะไป น, นั่นไปเทียบอะไรแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขายังถุดได้กหลวงพ่อไปอยู่ที่วัดธรรมสถิตสัทธัทนโพเพื่องปีสองเจ็ดปลายปลายเดือนธันวาปีสองเจ็ดทหารเขาโอบ หมามาฝึกที่โรงเรียนมันเป็นโรงเรียนวัดนะวัดธรรมชิตเขามาตั้งแคมปตั้งอะไรเขาเอาหมาทหารมาฝึกเขาก็ทําบ่วงให้มันรอดเขาจุดไฟแล้วมันกระโดดรอดบ่วงที่จุดไฟเห็นไหมมีเครื่องจีดขวางอะไรเขาก็ยังมันกระโดดไปได้เห็นไหมหลวงพ่อก็นั่งมองอยู่โอ้หมาเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเขายังฝึกได้อเรามาบวชเป็นพระกินข้าวชาวบ้านก็านึ่มันน่าอายหมานะมันน่าจะไปกราบมาหมนะานูนะ่นะคิดว่านะนั่นมันเอาหมาว่าเป็นอาจารย์ได้เห็นไหม เขาฝูดได้เห็นไหมเขาไม่เห็นเป็นคนเขาพูดภาษาคนก็ไม่รู้เรื่องแต่๋ยเขาทำไมเขาฝูดได้ไอ้นี่เราเป็นคนแท้ๆเนี่ยเป็นผู้ที่จะรับคำสอนของพุทธเจ้าแท้ๆทําไมเราฝุดไม่ได้ก็เพราะเราเราทำสติไม่ต่อเนื่อเราทําบ้างไม่ทําบ้างอ่ะไม่จะเดินแล้วเมื่อไหร่จะถึงเหมือนเราจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างใจเชียงใหม่เอาถ้าเราเดินแล้วก็หยุดไปด้วยเดินสี่ห้าเก้าเรหยุดเป็นวันสองวันแล้วค่อยเดินดอีกเมื่อไหร่จะถึง เนี่ยมันเผลอสติมันก็แบบเดียวกันแต่ถ้าเรามีสติต่อเนื่องไปเนี่ยเหมือนกับคนเดินไม่หยุดมันจะถึงจุดหมายปลายทางไวเพราะเราเดินไม่หยุดความเพียรคือสติต่อเนื่องเนี่ยทําไงก็ได้ให้มันรู้ตัวต่อเนื่อมันเผลออิบออกมารู้ตัวอยากให้มันจูงจมูกไกลๆให้ยิบออกมารู้ตัวให้ไวเนี่ยมันอยู่แค่นี้มันอยู่ที่สติเราจะไปนเน้นแต่วความสงบเนะี่ย พูดหลวงอาสศรมพ่อกันเนี่ยแบบนี้เหมือนกันตัว่าส่วนมากปิดความสงบเหมือนแม้แต่ตัวเองก็เคยเป็นมาเรื่องเขาเรื่องไม่ใช่หรอกถามใครก็เหมือนกันถามพระจิตไปอยู่ด้วยกันก็เหมือนกันถามโยมก็เป็นเพีเหมือนกันเนี่ยแต่ความสงบอย่างเดียวแต่มันไม่มีสติเนี่ยเขาพูดไม่เขาหูุดหงิแต่จะโกรธยิ่งสงบมากก็ยิ่งโกรธง่ายมันไม่ทันนะมันมีความสงบแต่มันไม่มีสตินะคนเรื่องกันนะเธออกรธสติคนเรื่องอะไร หรือใครสงบแล้วไม่โกรธมีไหมพอรวมสงบถึงอัปปนาต่อมาที่ถอนขึ้นมาใครด่ายังไงก็ไม่โกรธมีไหอถอนขึ้นมาเดี๋ยวนี้เขาพูดในข้อหก็โกรธเดี๋ยวนี้หลงพ่อเป็นมาแล้วที่พูดเนี่ยเป็นมาหมดแล้วเป็นงั้นจริงๆมันช่ววิธีฝึกสติสึกตัวนี่ไม่ไดจริงๆอันนี้มันเออมันทําได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับก็อย่างที่หลวงพ่อบอกมันทํำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนะไม่ใช่เราจะมี นั่งหลับตาเนี่ยเราทําไม่ได้เราเราทํางานอยู่จะเอาเวลาที่ไหนไปหลับตาก็เราเอางานที่เราทําเนี่ยมาฝึกสติน่ะมันทําได้ทั้งวันนะตืนนอนมาตั้งแต่เข้าห้องน้าตั้งทิศหลวงพ่อบอกไปเนี่ยโดยขี่รถมานี่ขับรถมาถึงทีโอทีนี่ก็เนี่ยมีสติมาเรี้ยวเข้ามานี่ก็รู้มาจอดรถลงไหนก็รู้เปิดประตูรถลงก็รู้เดินไปตุดที่เราทํางานก็รู้เนี่ยมันมนี่เนี่ยรู้ตอ่อเรื่องแบบนี้จนจนถึงนอนหลับ เวลานอนก็หายใจเข้าพุทออกโทให้มันหลับคาพุทโทอยู่นี่ทุกวันอ้าวเนี่ยเขาอยากเดินไม่หยุดน้ำก็ถึงไว้เนี่ยจุดหมายปลายทางถึงไว้เลยแต่ก่อนเราต้องไหว้ครูซะก่อนก่อนจะต่อยต้องไหว้ครูซะก่อนรียต่ต่อยเราซะก่อนแล้วมอจะไหว้ครูอยู่นงเงเราขึ้นเวทีต้องต่อยทันทีนะตื่นขึ้นมาต้องต่อยทันทีต่อยยังไงมีสติอยู่กับตัวตลอดไปห้องน้ําก็รู้ตัวเนี่ยเนี่ยต่อยทันทีไม่ต้องไหว้ครู โดนกีเดียตไต่ก่อนนะจะเป็นงั้นเผืมออะไรมันตต่มาเนี่ยกีเผืออะไรทีเดียตจมจมูกไปเมื่อ น, นั้นนะไปเป็นกี่ข่ารับใช้เขาเมื่อ น, นั้นทุกเมื่อนั้นเนี่เป็นม า, า, นาทุกทางอ้าวว็ทุกทางเราเผืมออะไรนะมันเป็นช่องทางของมันที่จะทันทีเลย<ช>อ่านั่นแหละทุกสติเนี่ยจนมันเป็นมหาสติท่านก็บอกเราสติมหาสติกระถางสีก็มีแต่กายเนี่ยกายเวทนาจิตทัน สรุปแล้วก็มีแต่กายกับจิตเนี่ยมันไม่มีอะไรมากเนะ่มีแต่กายกับจิตเนี่ยเป็รูปกับนามสองอย่างนั่งอยู่กันนี้เราก็เอากายกับจิตเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันเห็นหรือเอาแต่ก็แน่ๆนะบางคนก็อาจจะนั่งแต่กายจิตไม่รู้ไปไหนหรอกไปไหนไม่รู้กายกูนั่งนี่ยังไม่รู้ว่าตัวเองนั่งเลยมันนู่นบางทีก็กลับถึงบ้างแล้วบางคนนั่นแหละสติมันไม่อยู่กับตัวนะจะเอาความเพียรมันไม่ก็ไม่ได้เดินแล้วนะมันไม่จะถึงจุดหมายปลายทางได้ไงก็มันไม่ได้เดิน่ะ เผลอเมื่อไหร่ก็คือหยุดเดินเข้าใจไหมเผลอสติเมื่อไหร่คือคือหยุดเดินสติเลื่อตัวตลอดนี่คือเดินไม่หยุดเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายปลายทางเดี๋ยวก็เป็นมหาสติเนี่ยเรามหาสติประธานสี่ท่านก็บอกไว้แล้วว่ามหาสติประธานสี่นี่เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีคนที่นี้บารมีสะสมมามากแล้วแล้วปัจจุบันมาทําต่อเติมสติต่อเนื่อง ก็แค่เจ็ดวันก็บรรลุมรคผลนิพพานนอย่างมากอย่างกลางก็ถึงเจ็ดเดือนถึงเจ็ดเดือนก็อาจจะบรรลุมรคผลนิพพานอย่างช้าที่สุดก็เจ็ดปีเจ็ดปีนี่ก็สําหรับคนคนไม่ค่อยเดินเท่าไหร่แล้วท่านท่านท่านเผื่อไว้สําหรับคนไม่ค่อยเดินเท่าไหร่เจ็ดปีนี่คือช้าสุดแล้วนั่นน่ะท่านก็นรับรองไว้แล้วว่าอย่างจาพระอนาคามี ไม่งั้นกับพระอาหันต์ท่านไม่ได้ก่าไว้วอาพระโสดาสติทคาอะไรเลยเนีย่ยถ้ามามีสติให้รู้ตัวต่อเนื่องอย่างนี้ไม่ถึงหรอกเจ็ดปีนะไม่ถึงจริงขอให้มันมีสติรู้ตัวตออ่อเนื่องเท่านั้นนหะแต่นี่เราเรามีแต่เผลอตออ่เนื่องหลงลืมตออ่อเนื่องกิเลสจงจำบุกตออ่เนื่องมันก็เลยไม่ถึงจุดหมายปลายทางให้แต่ถ้าเรารู้ตัวตออ่อเนื่อมีสติตออ่อเนื่อง มันก็ถึงวัยเดินไม่หยุดเนี่ยมันถึงวัยอยู่แล้วตอนนั้นเผลอมาอะไรกิเลสยุ้มจมูกวันนั้นกลับม า, นะมาดเดินแล้วเขจยุ้มจมูกคนอ่นอดีตอนาคตจะเพ่งโทษคนนั้นคนนี้คนนั้นกรรมดีคนนี้กรรมไม่ดีไปแล้วเป็นอันธภาญอีกแล้วส่งจิตออกนอกแล้วเป็นอันธพาญอย่างนั้นมันจะส่งไปอดีตนอดีตไม่อดีตอนาคตทางเดินของมันมันเดินจนชานาญมาแล้ว ทีนี้เราจะไม่ไปกับมันทีนี้เพรามันไปพาเราไปทางต่ามันดึงลงไปทางต่ำเนี่ยไปเป็นเปลืออสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดชฉานไปแล้วทีนี้เราจะพามันขึ้นที่สูงจะไม่ให้มันลงต่าจะเอามาอยู่กับสตินี่มาฝึกรู้สึกตัวอยู่ทั้งมันตั้งแต่ปื่นนอนจนหลับอย่านี้มันไม่ได้ยากนะเราทําได้ทั้งวันเนี่ยลืมตาอยู่นี่แหละทําไม่ต้องได้นั่งหลับตาเลยนะทอ ม, มีเวลาเราค่อยนั่งหลับตาในรูปแบบนี่ย แต่ในในรูปแบบเน่ยมันทําได้น้อยเวลาไม่ค่อยมีแต่นอกรูปแบบเนี่ยทาได้ังแต่ตื่นนอนจนหลับมีเวลามากเยอะแยะแต่เราไม่ทําเราเสียดายนะเสียดายการการเป็นทาบรับใช้กิเลสมันไม่เสียดายเลยหรอกกลัวเขาจะไม่ได้จูงจมูกไปอดีตอนาคตกลัวเขาจะไม่ได้จูนไปให้เพ่งโทษคนนั่นคนเพ่งโทษคนนี้นคนนั่นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีเนี่ยออกไปแล้วเป็นอย่นั้นอ่ามันก็ดมิด จะไปเจรินได้ไงมันไม่อยู่ข้างในต้อง อ, อกลับมารู้อยู่ข้างในเนี่ยต้นต้นตอมันอยู่ข้างในเนี่ยมันอยู่ในใจเรานี่นะเราอย่นช่วนมากเราจะไปโทษแต่คนข้างน อ, อกเพราะคนนั้นนะ่ะทําให้เราโกรธเพราะคนนี้ทําให้เราเกลียดอยู่นั่นแต่จริงจริงเนาะมันเกลียดมันอยู่ในใจเรานะเดีย๋ยวยาไปโทษคนอื่นสมมตินะเขาทําให้เราโกรธหมดทั้งโลกเลยนะในในโลกนี้นะเราไปฆ่าตายจนหมดทั้งโลกแล้ว ความโกรธก็อยู่ในใจเราเหมือนเดิมเต็มร้อยเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าจะหมดนะ้ะไปฆ่าคนที่ทําใหเราโกรธหมดทั้งโลกแล้วมันจะหายโกรธไม่ใช่กี่ร้อก็อยู่ในใจมันเดิมกิเลสของโกรธก็อยู่เหมือนเดิมเราฆ่ากิเลสความโกรธอยู่ในใจเราเนี่ยตายหมดแล้วอยู่ไหนมันก็เป็นสุขหมดนะนี่เราจะไปแก้ตัวคนอื่นเขาอ่ามีจะ่โทษเขาว่าคนพ่อคนนั้นแหะทําให้เราโกรธอยูนะ่นั่นทุกพนะ่อคนนั้นแหะทําให้เราอย่างนั้นนะก็เนี่ยเชิงจิตออกนอกหมด ต้นจอมันอยู่ในใจเราเกิดเหตุเกิดที่ไหนต้องดับที่นั่นอันนี้ความโกรธก็อยู่ในใจเราเหตุเกิดมันเกิดจากใจเราเราต้องรีบดับมันอย่าให้มันลุกลามไปไม่คนอื่นอย่าไปให้มันไปไหม่คนข้างเคียงที่อยู่รอบตัวเราเรารีบดับมันนะมันโกรธขึ้นมาหน้าตามันก็เหมือนไม่เหมือนเดิมแล้วเลือดมันก็ฉูดฉิดแรงหน้าตาก็แดงนะนะคนดำๆก็แดงได้ มันสั่งไปหมดนั่นแหละน่ะมันไม่น่ารู้หรอกตะโกนมาแล้วคําพูดออกมาก็ไม่น่าฟังไม่มีความอายหรอกนั่นห่ะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นพอะมันไม่มีสติถ้าคนมีสติมันจะหูุดทันความโกรธมันจะหยุดระงับดับเลยนะจะไม่ให้มันไม่ลุกลามไปแบบนั้นมันเกิดความละอายแล้วมีสติเกิดความละอายแล้วไม่กล้าไปด่าไปอะไรต่อหน้าคนเยอะๆหรอกอันนี้ไม่รู้หรอด่าได้กันหมดน่ะ ผู้น้อยกระดาผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่กระดาผู้น้อยได้หมดแม่งมีน้อยมีใหญ่และนะต่มันโมโหขึ้นมาเนี่ยเพการมีสติมันเห็นความคิดด้วยอ้าวมันก็ต้องเห็นเน่ยพอมันมีพอมันมันมันมีสติมันเห็นความคิดมันก็ไม่โกรธแล้วก็เห็นมันโกรธเนี่ยแล้วก็ไม่ใจโกรธกับมันเท่านั้นเองการมีสติเท่ากับเราปฏิบัติปบัติฮะการเป็นมีสติเมื่อไหร่ก็เป็นปัจจุบันเมื่อนั้น ถ้าเราเผลอสติมันกับคนอดีตเป็นอนาคตกับคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีอีกเป็นอั น, อนธพาลอีกอ ถ, ถ้ามีสติอยู่ในตัวเองเนี่ยเป็นนักปรากเนี่ยรู้ทันความคิดรู้ทันความโกรธเนี่ยเป็นนักตรแล้วเรื่องเหนือกิเลสไปเรื่อยๆแล้วอมันไม่ใช่ของยากนะธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่ของยากอยู่ที่เราเนี่ยจะทําหรือไม่ทำํำจะทําจริงหรือไม่จริงเท่านั้นแหละเาทำไม่จริงมันก็ได้ของปลอมนะ ก็ได้ของไม่จริงก็ได้ของปลอมนั่นเนี่แล้วละอิดตัวหนึ่งก็ไม่ให้ย้อมอีกตัวที่ที่นั่งอยู่บนคอเราน่ยไม่ให้ไม่ให้ย้อมไอ้ตัวนั้นเน่ยมันเหมือนเหมือนควานช่างขี่อยู่บนช่างมีตะขออันหนึ่งกระสอบเค้กลงไปนั่นใช่ไหมล่ะลากสูงไม่ไหวแล้วก็เลือดอาบลงมานะะอันนี้ก็เหมือนกันไงเขาสอบเขาเค้กเอาน่ยสั่งหันซ้ายหันขวาสั่งให้โกรธก็ต้องรีบโกรธเป็นทาคเท่าขนาดนั้นเห็นโทษของมันหรือเปล่า หรือมีความสุขเวลาโกรธมีความสุขไหมก็สังเกต ด, ดูเวลาเราไม่โกรธเราเห็นคนอื่นโกรธเห็นเขาด่ากันเราเราเป็นสลดสองเมตรไหมถ้าเราเราจะเป็นทาบรับใช้เขาไปที่ไหนฮะจะไปเป็นขี้ข้ารับใช้เขาไปทึ่ไหนไม่เห็นผู้คนโทษมันเหลือกเกลียดเนี่ยทําไมจะเลี้ยงให้ขี่คอคอยสับคอยเคกเราอยู่นั่นฮะมีหน้าจะเห็นเข็ดจะหลับแล้วนะมีเขาสับเขาเขคดอยู่จนเลือดอับ สั่งให้โกกูจะต้องรีบโกรธให้มันอย่างเงี้ยใช่ไหมสั่งให้มันยึดก็ต้องรีบยึดยึดนีดนะมันเป็นท่ารับใช้เขาเป็นยังไงเพราะอะไรเพออไราะเราไม่ต่อสู้มันเป็นเป็นทาาเป็นชี้ข้าเขาจนเคยชิ้มไม่เคยคิดจะต่อสู้ไม่เคยคิดจะขัดขืนอะไรเขาเลยแล้วแต่เขาสั่งเขาก็สับเครกเอาทั้งวันเนไงสั่งหันซ้หันขวาทั้งวันแต่ถ้าเราต่อสู้เรายังมีโอกาสที่จะชนะเขาแต่นี่เราไม่เคยต่อสู้มันสั่งยังไงก็ต้องทําตามมันทุกอย่าง แม้เราทุกกิเลสไม่ได้ทุกกะเราเราทุกเพราะเราเป็นทาตรับใช้ห่อมันยังไม่เป็นไทยถูกไหล่ะก็อยู่กับเราเนี่ยเราจะอยู่ในกํามือเราในอน า, าคตเราไม่ใช่อยู่กับกิเลสหรอกเราจะไปตามใจอะไรมันมากนะกิละเลสไปตามใจมันมากเราก็ยิ่งทุกข์เนยยิ่งเป็นทาตรับใช้มันมากไปเท่าไรก็ทุกข์เท่านั้นแต่ถ้ามีสติมากเท่าไรทุกข์จะน้อยลงเท่านั้นจะทันความคิดจะทันความโก<อ>รธ ตัวตนจะน้อยลงอุปทานเคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเป็นกูอยู่เนี่ยมันจะหายหมดต่อไปจะหายหมดเพราะสติทันจนเป็นมหาสติเนี่ยคิดขึ้นมาลู่ทันดับพับคิดขึ้นมารูุทันดับพับยังไม่ทันโกรธเลยมันดับแลแ้วฟุดมันควรเป็นมหาสติมหาสติประฐานสีท่านก็บอกแล้วเจ็ดวันเจดเดือนเจ็ดปีท่านรับรองไว้หมดแล้วี่มรคนิพพานก็ยังอยู่นะพุทธเจ้ากับนิพพานจะแล้แต่มรค น, นิพพานของท่านก็ยังอยู่ แต่เราไม่ทําเราไม่เห็นแม้ไม่ถึงถ้าเราโมจะบ อ, อกไปชุดไปปงไปแต่งเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเราไม่มีสติอยู่กับตัว mm. ก็เลยไม่เห็นเลยไม่มีไม่เป็นอะไรให้ก็ท mm. ุกอย่เหมือนเดิมกิเลสก็ไม่ยอมจักคอเหมือนเดิมมาแล้วเขาสอบเขาเค็งนัสุขแล้วเขาสอบเขาเค็งสุขแล้วเป็นฐานรับใช้เขาอยู่หนึ่งมันไม่จะสลานพครับเขาฝึกใหม่ๆต้องบอกย ง, งว่าฝึกใหม่ๆอ่ะ มันอาจจะต้องตามความคิดก่อนเออมันก็ยังงั้นอ่ะพอไปเรื่อยเรอก็จะรู้ทันความคิดตอนหลังก็จะรู้ว่ามันจะคิดแล้วมันได้นั่นแหละต้องบอกมันมันจมันคิดมาก่อนเราถึงจะรู้ทันมันเป็นเป็นสเต็ปเหมือนกันเออเออใช่ใช่ถึงความมันโกรธขึ้นมาก่อนเราถึงจะทันความโกรธถึงจะเห็นมันโกรธนะใช่เพรหม่มอย่างั้นอมัน เรอยจะทันปับเออจะทันไปไปเรื่อยเลยทีนึงพอได้จนที่สติแกงกล้าแล้วจะเห็นเอ๊ะจะคิดแล้วเหรอหยุดะมันก็พอเรารู้ทันมันจะหยุดทันทีเลยมันจะไปต่อไม่ได้เลยนะยังโกรธขึ้นมาก็เหมือนกันพอเรารู้ทันว่ามันโกรธเนี่ยมันก็หยุดมันได้แต่จะหยุดได้ไวได้ช้าอยู่ที่กำลังสติของเราอ่าถ้าเราสุดสติจนเป็นมหาสติแล้วมันก็ดับทันที มันจะไม่ยืดยาวแล้วโยมมงคลยังคิดว่ากิเลสเป็นของเขาอยู่มันไม่ใช่เราก็บอกแล้วมันมีของมันโดยหลักธรรมชาตินกิเลสเนี่ยมันเป็นสมมุติอันหนึ่งเทวว่าสมมุติก็สมมุติอันหนึ่งมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้น่ะถ้าไม่มีใครไปหลงมันมันก็ไม่มีใครทุกข์ก็เหมือนยาพิษเนี่ยมันอยู่ในขวดไม่มีใครไปกินมันก็ไม่เป็นโทษอะไรมันมีของมันอยู่อย่างนั้นกิเลสก็เหมือนกันแต่เราเข้าไปเป็นกิเลสกันมันเมื่อไรเราก็ทุกข์เมื่อนั้น เราไปเป็นความโกรธกันมันเมื่อไรแล้วก็ทุกเมื่อนั้นเพราสติเราไม่ทันนะถ้าถ้ามีสติเนี่ยมันจะแยกความโกรธมันจะแยกความโกรธถ้ามีสติเมื่อไหร่ปุ๊บความโกรธเนี่ยมันจะแยกให้เห็นเลยระหว่างโกรธกับไม่โกรธนะครับพ่อมันมันจะมีโกรธอันนึงผู้รู้ว่าโกรธอันนึ่งอ่ามันจะไม่ใช่อันเดียวกันนะจะเห็นมันโกรธนั่นแหละผู้รู้เนี่ยจะเห็นมันโกรธ แต่จะไม่ไปโกรธกับมันนะใหม่ๆก็จะตามไปก่อนตานั่นแหละเขาเรียกรู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นี่แหละครับค่อยๆค่อยๆฝึกไปเนะครับสติเนี่ยเพราะว่าสติเนี่ยจะฝึกจริงๆเอาให้ได้เลยมีแบบประจําเลยเงี้ยก็ยากอยู่ของเขาอย่แต่ว่าคนที่นั่งแล้วปฏิบัติฝึกสมาธิมาแล้วเนี่ยพอฝึกสติแล้วอะจะค่อยๆเห็นเห็นแล้วก็จะตามทันตามทันแล้วก็จะตอนนี้รู้ความคิดเลย ความคิดจะหยุดปุ๊บเลยก็ค่อยๆปลดปุดไปครับะจะมันจะทันความคิดไปเรื่อยแล้วต่อไปจะเห็นมันคิดนั่นแหละไม่ใช่เราคิดนะจะเห็นมันคิดเห็นมันโกรธเนี่ยมันจะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้อย่างว่าจะเห็นมันคิดเห็นมันโกรธเขาจะแยกให้เห็นเลยใช่ไหมครับออมันจะเห็นเลยล่ะสติทันทันไว้ไปเรื่อยๆมันจะเห็นเองคือเอ่อ ตอนที่หลวงพ่อบอกว่าเช้าคือความคิดมันเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติคือมันมันมันเป็นธรรมชาติของทุกคนที่ต้องมีแต่ว่าเรามีหน้าที่แค่ตามรู้แต่แค่รู้ทันแล้วไม่ไปกลับมันครับเพราะอ่าวิธีการนี้จริงๆมันเขาไม่ได้อยู่ไกลตัวเรามากบางทีเหตุเกิดขึ้นแล้วเรายังพูดว่าอ๋อไม่มีสติอ๋อขาดสติ ไม่ได้ได้ยินบ่อครับผมาไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องภาคไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปสอนมันมันเพอเอากลับมารู้ตัวแค่นั้นไม่ต้องไปหุนหิตอ่ามันไปอีกแล้วหรือโกรธอีกแล้วเหรือเนี่ยไม่ต้องมันโกรธมันไม่ดีนะโกรธแล้วทําให้มึงเป็นทักข์อยี้ยไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปสอนบอกสอนเท่าไหร่มึงก็ไม่ฟังคนตัวที่จะมันหยุดไะหยุดมันได้คือสติ แค่นั้นแ่ะเราจะไปทักแม่น้ำทั้งห้าทั้งหกมาฮมันไม่ดีเน่งั้นอย่างนี้มันไม่ฟังหรอกตัวที่จะหยุดมันได้คือสติอันเดียวหยุดหยุดไม่ไปกับความโกรธน ะ, ะทันความคิดหมดนะถ้ามีสติหยุดได้นะหยุดได้ทุกอย่างสตินะี่หยุดไม่ให้เกิดไม่ให้ตายอีกก็้วนะมันพอมันมีสติสมบูรณนะ์แล้วมันก็ไม่เกิดไม่ตายไอ้ น, นี่เรา สติมันยังไม่มีมันยังไปกับความคิดอยู่ทั้งวันยังหลงไปเป็นอันเดียวกับความคิดมันมันก็ทุกข์อยู่ตลอดนะพอเราไปเป็นอันเดียวกับมันถ้าเราไม่เข้าไปเป็นอันเดียวกับมันมันก็ไม่ทุกข์รู้เห็นมันโกรธแต่เราไม่ไปโกรธกับมันยังไงตอนเนี้ยทีแรกมันก็จะไปกับความโกรธนะไม่ว่าเราว่าเขามันเหมือนเหมือนกันแต่ทีนี้เราฝึกไปเรื่อยมันจะเริ่มทันไปเรื่อยสติมันจะเริ่มสะสมมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นสมาธิน่ะจนจิตตั้งมั่นนะแล้จนมันทันความคิดนี่แหละ จนมันทันอารมณ์อารมณ์มากระทบมันก็รู้ทันหมดพอใจไม่พอใจมันจะรู้ทันเนี่ยถ้าเราไม่มีสติเราไม่รู้ทันหรอกอารมณ์ก็ไม่รู้ทันเราจะเป็นอันเดียวกับอารมณ์นั่นแหละหลงไปกับอารมณ์ไปสุขไปทุกกับมันนั่นแหละไปโกรธไปเกลียดไปรักไปชังกับมันอ่ามาอยู่ที่สติเท่านั้นแหละมันจะมีอะไรมาก อาจารย์สอบถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับว่าเออตัวเองรู้สึกยังไงมีสติยังไงในถ้าไม่เข้าใจยังไงสมมุติไม่เข้าใจเอ๊ะสุดสติรู้ตัวยังไงอันนี้ก็ถามได้นะจะถามเลยครับถามอย่างหลวงพ่อุยกันยงหลวงพ่อพูดหลวงพ่อจะไม่เอาคําบาลีคําอะไรมามาพูดเลยหลวงพ่อจะเอาแบบภาษาบ้านๆมาพูดกันมันถึงจะเข้าใจง่ายครับเพื่อจะได้คนอื่นจะได้รู้ด้วย อืออ่าหลวงพ่อคะกรณีถ้าสมมุติว่าเราฝึกตอนเรารู้สึกตัวว่าเราไไม่ด้ลแล้วแล้วไม่ไม่ดังอ่าเวลาที่เรารู้แล้วว่าแล้วเราจะดับผู้รู้เนี้ยอย่างไงอ๋อเรารู้เฉยๆอย่างเดียวถ้าเราทันความคิดแล้วเรารู้เฉยๆอย่างเดียวเราอย่าเข้าไปเป็นอะไรกับมันทั้งนั้นไม่ว่ามันจะสุขหรือมันจะทุก มันจะพอใจไม่พอใจอย่าเข้าไปเต็มมันรู้เฉยๆอย่างเดียวมันจะว่างก็รู้เฉยๆมันจะเฉยก็รู้เฉยมันจะสงสัยขึ้นมาก็รู้เฉยแล้วมันจะเป็นปัญญาได้ไงครับอ้าวไม่เป็นยังไงก็เฉยจิตเป็นกลางจิตมันเป็นกลางมันไม่ไปสุขมันไม่ไปทุกข์มันไม่ไปพอใจแล้วไม่พอใจมันจะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเนี่ยตัวตนมันจะน้อยลง ใครทําจิตให้ถึงความเป็นกลางได้คนนั้นจะพ้นจากทุกในเราไม่เป็นกลางเพราะเราเข้าไปเป็นพอสุขมาเราก็สุข ก, กับมันพราทุกมาเราก็ไปทุกกับมันมันมีเราอยู่ในสุขในทุกแต่ถ้าเราเป็นกลางยุ่เฉยมันจะไม่มีเราอยู่ในการรู้เฉยและอีกนิดนึงนะคะเ<ม>วลาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีสามอย่างใช่ไหมคะ ม, มีสติมีอัปปนาส<ม>สามสามอย่างนะคะ เวลาที่กรณีที่เทียบเคียงกับผู้รู้และก็วิธีดับรู้แล้วก็ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติสามอย่างนะคะที่มีสมาธิแล้วก็แล้วก็สุดท้ายอัปปนาอันการเรียกว่าอะไรคันโอ้เออคือสะอุปัจจาระ อัปปนาอะไรเนี่ยค่ะ แ, แล้วแล้วแล้วที่ที่ทางสองมาที่จากอัปปนามาคณิกะค่ะที่จเจรินปัญญาค่ะในเทียบกับตัวผู้รู้อะค่ะเราจะทำยังไงที่ให้แบบที่ว่าเหมือนเราไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรเงี้ยมันอยู่ในขั้นภูมิไหมคะในกรที่รู้และดับรู้อะค่ะแล้วมาเทียบกับสามอย่างเนี้ยค่ะอันนี้มันเป็นแค่สมถนะเนอะจะเป็น คณนนี้กับอุปาจาระหรืออัปปนาก็แล้วแต่อันนี้มันขั้นสมถะมันยังไม่ได้เป็นปัญญาอะไรเลยมันมันแค่ความสงบนะแค่จิดสงบเป็นสมถะอ่าแต่ว่าไปที่ที่ว่ารู้อันนั้นเนี่ยมันมันสูงขึ้นไปอีกคล้ายๆว่าจากปฐมไขึ้นไปมัธยมไปมหาวิทยาลัยแบบแบบมันมันไล่ไปตามสเต็ปขอเขากล่าวครับคุเพร่อคือรู้เนี่ยเราไม่สามารถไป ไปดับไปอะไรเขาได้เขาจะรู้แล้วเขาก็จะนั่นไปเองใช่ไหมครับจะเขาเครียดอะไรเขาจะเขาจะหายไปเองหรือว่าเขาจะหมดไปเอ ง, งเราสร้างเหตุอย่างเดียวก็วคือเรามีแค่แผู้รู้อย่างเดียวอแล้วตัวรู้เนี่ยเขาจะละลายมาหายไปเองใช่ไหมครับอ่ตัวรู้อันนั้นมันผู้รู้เขาเรียกผู้รู้เนี่ยเราฝึกสติไปเนี่ยจนเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วไปทันความคิด อ่แต่ทันความคิดไปเรื่อยแล้วมันจะจะรู้เฉยไปเรื่อยแล้วเนี่ยมันจะไปเหลือแต่ผู้รู้ผู้รู้อันนี้ก็ยังเป็นผู้หลงอยู่นะไม่มันไม่ใช่มันก็ยังมีเราอยู่ในผู้รู้อันนี้นะค่าต้องให้ไม่มีเลยต้องให้ไม่มีเลยจะให้ไม่มีเลยจะทํำยังไงก็คือรู้เฉยครับ S <S อันนี้มันมันเหลือแต่ผู้รู้นะมันก็จะมีการบุงการแต่งของมันอยู่ในรู้อันนั้นอ่<ฮ>ะเราก็ไม่ไป <ฮะ S 2> ไปบุงไปแต่งกับมันมันบุงแต่งขึ้นมาเรารู้เฉยๆบางทีมันก็ว่างเป็นอาการเขาเรียกถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นอาการที่เขาบอกว่ารู้สักแต่ว่ารู้อ่ามันจะเป็นอาการว่างสบบางทีก็ว่างขึ้นมา <ฮะ S 2> ว่างแล้วก็รู้เฉยๆเราจะเข้าไปเป็นว่างกับมัน เราไม่เข้าไปยุ่งกับเขาไม่ใจคันไม่เข้าใจเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปทําให้เขาตรลายหายไปเขาจะทํําทาตัวเขาเองอเราไม่เข้าไปเป็นกับมันเเเาาไไม่ข้ปป็นใชว่างเราก็ไม่เข้าไปเป็นกับมันเฉยมันเราก็ไม่เข้าไปเป็นเฉยกับมันครับมันสุขเราก็ไม่เข้าไปเป็นสุขกับมันมันทุกข์เราก็ไม่เข้าไปเป็นทุกข์กับมันเราแค่รู้เฉยๆอย่างเดียวถ้าเราหลงเข้าไปก็จะไปติด ถ้าหล่นเข้าไปมันก็มีตัวเราอยู่ในสุดมีตัวเราอยู่ในทุกพอเราเข้าไปเป็นมันมีตัวแต่ถ้าเรารู้เฉยมันจะเป็นกลางความเป็นตัวเรามันจะไม่มีแล้วมันจะจางออกอุปทานความที่เคยยึดมั่นถือมันไปมันจะหมดไปแล้วเรารู้อันนั้นมันจะมันจะทำลายตัวมันเองมันจะเป็นของมันเองเหมือน เหมือนแม่ไก่กกไข่นะพอไก่มันไข่มันแก่เต็มที่มันจะเจาะฟองไข่ออกมาเป็นอิสระเองอืออ่าครับแล้วทีนี้ไอ้ไอ้ไอ้ไตัวรู้ผู้รู้อันนั้นมันยังมีตัวหุ้มหอ่อมันไว้กับมันฟองไข่นะั่นแหละมันเจาะออกมาแล้วมันก็เป็นอิสระลูกไก่ก็เป็นอิสระรอ่ารู้อันนั้นในเมื่ออาวิชาหุ้มหอ่อมันไว้อยู่มันยังไม่เป็นอิสระ พอกระเทาะเปือกอวิชานั้นออกรู้อันนั้นกระดีดออกมาเป็นอิสระอ่าเป็นอิสระนะอิสระหมดนั่นนะระหว่างกระจ่างแจ้ง<ม>นะเป็นอิสระอ่ามันก็สะมด ต, ตัวตัวเราตัวเราจะไม่มีตัวเหลือแต่รู้เป็นที่เป็นธรรมชาติอ่าจะไม่มีเราอยู่ในรู้อันนั้นอีกอเป็นรู้ที่เป็นอิสระเป็นรู้ธรรมชาติอ่ามันเป็นเอกเทศอันนี้เท่ากับว่าอวิชามดอ่าหนึ่งไม่มีสอง ครับหากเป็นหนึ่งเดียวเหลือหนึ่งเดียวครับแค่นั้นครับมันจะเป็นอะไรในมนรู้เพราะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรแล้วมันไม่ได้เป็นพ่อโสดาสกิทาอาาคารพระอรหันต์มันก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างถ้าเป็นงั้นเราหมดความเป็นอืมถ้าเป็นน้ำก็เต็มแก้วแล้วเทอะไรใส่เข้าก็ไม่ไม่เข้าแล้วหมดความมีความเป็นครับครับผมอย่างนี้มันถึงจะแจะสุดจะชื่นสุดยุติลงได้นะ ทางนี้ทางนั้นก็สตินั้นใช่ไหมครับก็สติอันเดียวครับครับมีใค่ถามนี่ครับเชิญเชิครับกลับนมัสการค่ะหลวงปู่อืมค่ะทาไหนทางทางนี้ค่ะคือตัวผู้รู้เนี่ยก็คือตัวสติใช่ไหมเจ้าค่ะอ่ามันก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่มันอาจจะแยกกันเฉยๆแยกกันเรียกอ่าแยกกันเรียกว่าอย่างโกรธเนี่ยก็มีตัวผู้รู้ใช่ไหมเจ้าค่ะอ่าคืออาการ อาการโกรธนะคะอาการโกรธมันไม่ไม่ไม่ใช่ผู้รู้คนคนคนไหนรู้ว่ามันโกรธต้มีคนรู้ว่ามันโกรธนะมันมันถึงจะรู้ว่าโกรธใครรู้ว่ามันโกรธใครรู้ว่ามันร้อนมันหนาวอ่าแล้วเราก็เอาตัวผู้รู้เข้าไปจับให้ให้ไม่โกรธเลยเจ้าค่ะมันมันก็ตัวสตินี่แหละตัวสติใช่ไหมอ่าสติสติอันเดียวที่จะทันความโกรธเนี่ยค่ะอ่าก็ฝึกสติไปนี่แหละ ก็เหมือนกับเราหักดิบใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าเราโกรธปุ๊บเราอ่าถ้ามันมันไม่ไม่หักได้ทีเดียวหรอกมันค่อยค่อยถ้าเป็นสัตว์มันก็ค่อยอดน้ำอดอาหารจะเรื่อยมันก็ค่อยหมดเลี้ยวหมดแรงไปนะหมดเลี้ยวหมดแรงไปคือไม่ให้อาหารมันกินมันก็หมดแรงไปเองคือเรามีสตินรามีสติใช่ไหมคะถอามีสติทันมันก็ไม่ออกไปคิดไม่ได้ค่ะอาหารของกิเลสคือความคิด นะอาหารของกิเลสคือความคิดในเมื่อเรารู้ทันความคิดกิเลสก็ไม่ได้กินอาหารมันก็ผอมลงไปเรื่อยหมดเรื่องบนแรงสติปัญญาก็เหนือกิเลสไปเรื่อยถ้าเปรียบกับทางโลกเนี่ยเหมือนคนที่ติดยาเสพติดนะเจ้าค่ ะ, ะแล้วตอนนี้ที่ครูใช้คําว่าหักดิบโดยที่แบบไม่ไปรักษาแบบใช้จิต ในการจะเลิกมันเนี่ยค่ะอันนี้คือตัวสติเนี่ยค่ะคือตัวผู้รู้เพราะนั้นถ้าถ้าจิตมันเข้มมันแข็งมันก็มันก็หักดิบได้นะถ้าจิตมันเข้มแข็งออันนี้มันก็เรื่องของสติอันนี้มันก็ถ้ามันทันความคิดไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยความกิเลสมันก็อ่อนตัวลงเรื่อยสติปัญญาก็เหนือกิเลสไปเรื่อยคเพราะมันมันออกไปปรุงไปแต่งออกไปหากินไม่ได้ถ้าเหลือแต่ผู้รู้น่นก็เหมือนมันมันอยู่ในถ้ามันมันอยู่ในรู มันเหี่ยที่อยู่ในจอมตัวกันมีอยู่หกรูนั่นแหละปิดไว้ห้ารูเหลืออยู่รูเดียวมันจะออกไปหากินรูเดียวเนี่ยพอออกมาไม่ได้เราก็เข้ารูมันไว้ออกมาบะเล็กก็ง่ายคาะหวมก็พุบก็ไปมันออกไปหากินไม่ได้ออกมาบะเล็กก็ตีหวมก็ปุบก็ไปมันหากินไม่ได้มันก็ผอมตายนั่นแหละมันออกไปคิดไม่ได้ตอนนี้เหมือนกันอวิชชาเนี่ยอาหารของมันคือความคิดในเมื่อมันออกไปคิดไม่ได้มันก็หมดเรี่ยวหมดแล้วมันก็ตายแล้ว เนี่ยเนี่ยมันมันกับินี่ก็เลยไม่มีใครไปเป็นเจ้าของความคิดมันคิดทั้งวันแต่มันไม่มีเจ้าของมันเป็นอิสระเนี่ยเขาเรียกเป็นอิสระจากความคิดเป็นอิสระจากการปรุงการแต่งมันปรุงแต่งเหมือนเดิมมันคิดเหมือนเดิมแต่มันไม่มีเจ้าของเหมือนแต่ก่อนไม่มีใครไปยึดไปถือเอาเป็นเจ้าของมันเป็นอิสระจากความคิดความปรุงความแต่งอ่ะมันก็ไม่ทุกข์แล้วไม่เป็นไปเป็น อันเดียวกับความคิดความปุงแต่งก็ไม่มีใครทุกข์ละที่มันพุกข์กวเพราะเราไปหลงไปกับความคิดน่ยคิดไปแล้วกับปรุงแต่งไปโกรธไปเกลียดไปรักไปชังมันเลยไม่จบไม่สิ้นอันนี้มันก็คิดเหมือนเดิมจะไม่มีเจ้าของไม่มีใครไปฉุกไปทุกข์กับความคิดอย่นะั้นเป็นอิสระต่อกัน่เป็นอิสระต่อกันแบบนั้นไม่ใช่ของยากไม่เหลีอววิสัยหรอกทาได้ทุกคน ขอให้มันมีสติต่อเนื่องเนี่ยทำให้มันรู้ตัวต่อเนื่องทําให้สม่ำเสมอทําตั้งแต่ตื่นนอนอย่างพ่อบอกเนี่ยไปเข้าห้องน้ําก็รู้ทําแปรงฟันล้างหน้าล้งางจ่ารู้อย่างนั้นตั้งแต่ตื่นนอนมาจนมาทํางานก็ทํารู้ตัวทั้งวันเวลานอนก็หายใจเข้าพูดออกตัจนมันหลับค้าพูดตัวทุกวันแบบนั้นเนี่ยทําให้ต่อเนื่องคือเดินไม่หยุดมันจะถึงจุดหมายปลายทางไว แต่ก่อนเราเราไม่ได้ทำต่อเนื่องอย่างนี้เราจะทำเฉพาะเวลาเรานั่งหลับตาบางทีก็ครึ่งชั่วโมงบางทีก็สิบนาทีนะเต็มที่กลับไปถึงบ้านก็นโอกาสน้อยแล้วเนีย่ยมีเวลามาทำงานเนะี่ยโอกาสมากถ้าเราทำได้ทั้งวันมีสติรู้สึกตัวอยู่กับงานที่เราทำนะใครมีหน้าที่อะไรก็อยู่กับงานที่เราทำมาทำได้ทั้งวันฝึกสตินะเอาเตรียมมาเป็นเครื่องฝึกสติในการใช้ชีวิตประจำวัน ได้ภาวนาทั้งวันเราจะได้อ้างไม่ได้เลยทีนี้ว่าไม่มีเวลาภาวนาเนะี่ยเห็นไหมอ้างไม่ได้เลยแต่ก่อนเนี่ยเอากิเลสมันอย่างว่ามันไม่ต้องจ้างทนายมาแก้ต่างให้มันเลยกิเลสมันเราเป็นทนายแก้ต่างให้มันหมดโอ้ยมันไม่มีเวลาแล้วมีแต่ทำงานกลับถึงบ้านกระเพร้าแล้วไม่ได้ภาวนานะี่ยกิเลสไม่ต้องเสียค่าทนายเราแก้ต่างให้มันหมดพราะกิเลสเราเป็นนอันเดียวกันย่ังไงเรา ก, ก็เสียท่ามันอยู่ตลอดเราหลงคนมันามาตลอดนะ ถ้าเป็นธาตุความคิดเนะี่ยมันคิดมาเราก็เชื่อทั้งหมดเขาไม่ยอมหล่นจากคอมันควันช้างเน่ะถือเจ้อขออยู่บนคอแล้วก็สับเขกลงไปนะสั่งหันใจหันขวาแล้วเจ้ามันจะมันจะสั่งแบบเดียวกันมันจะไม่ยอมลงคอเราสักทีเนี่ยอกิเลสไม่ยอมลงคอมานะทิฏฐิก็ยิ่งร้ายใหญ่นะมันไม่ยอมใครๆเท่านั้นะมานะทิฏฐิมองกันหน่อยก็ข่ากันแล้วนะลดปาดหน้ากันนิดหน่อยก็ ลงจากรถมากระจัดการกันแล้วเยใช่ไหมมันไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีมัอยงั้นแต่เราเราทุกข์สิเราไปทําตามที่มันสั่งเลยทุกอ์ตอนทักยอมกันแล้วซะแล้วมันก็ต่างคนต่างไปก็จบเรื่องก็ไม่เกิดแต่มันไม่ให้ยอมเพราะมันฉี่คออยู่มันทรัพย์เทศเอาไม่ต้องอย่ายอมไม่ได้เสียศักดิ์ศรีก็ต้องทําตามที่มันสั่งเราเป็นขี้ข้ามันก็เป็นงั้นแล้วก็ทักอยู่ไม่จบไม่สิ้นเพราะสติไม่ทันมันนั่นแหละมันจะยากตรงไหนก็มีสติไม่ทันมันตนเอง เราไม่เอาสติจะเอาอะไรไปสู้มันได้กิเลสทนี้ก็หมายความวถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลาเท่ากับเรามีศีลสมาธิปัญญาอ๋อมันไปด้วยกันนั่นแหละสติสมาธิปัญญาเนี่ไปด้วยกันพอเราทําทั้งวันเลยศีลสมาธิปัญญาถ้าเราไม่อยู่สติเราจะรับศีลวันละห้ารอบมันก็ไม่เป็นศีลให้ครับพอพูดไม่เข้าหูโอ้ก็โกรธอีกแล้วศีลอยู่เหรอไม่วิ่งหนีจนหมดแล้วไม่ศีลรับทั้งวันก็ไม่เป็นศีลให้ครับผมก็สติมันไม่อยู่กับตัวเนาะมันไม่ทันความคิดเลยเนาะ ไปกับความคิดทั้งวันมาโกรธก็โกรธทีแล้วเขาด่ามากูโกรธทีแล้วสินไม่รูปแง่จะไปรับบรรลุห้ารอบหกรอบมก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันจะมีสิ น, ไ ด, น, สนะะได้ก็อยู่ที่สติเนะี่ยจะละกิเลสได้ก็อยู่ที่สตินะมันอ่ทีสติจะเอาวัญญาไปจางไหนจะเป็นเขากิเลสได้เลยเขาจูงจมูกทั้งวันจะเป็นเหนือเขาได้ยังก็ขเขาจูงจมูกไปจูงไปหมูกไปคิดไปปรุงไปแต่งไปเรื่องอดีตอนาคตอยูนะ่เนี่ยทันเขาที่ไหนมันจะทุกข์ไม่ไมจบไม่สิ้น ตราบใดที่ยังเป็นทาสเขาอยู่เป็นชี้ข้าหอยอยูไม่มีใครสุกแล้วแต่เป็นอิสระนะต้องเนือจากเขาเป็นอิสระไม่มีใครฉีกคอนี่ไปทางไหนก็ไม่มีใครฉีกคอก็สบายนะยืนเดินนั่งนอนสบายหมดอันนี้ไปมองไปที่อะไรก็มีแต่เขาฉีกคอไม่ลงจับคอถือต่ขอไว้สับอีกต่างหากอสั่งหันซ้ายหันขวาปฏิเสธก็ไม่ได้เพราะเป็นทาสเขาแล้วแต่เขาจะสั่งนะจะสุกมาจัางไง เขาขี่คออยู่สุกแล้วเขาเอาลางไหลลงจากคอแล้วนี่เราก็ขี่คอมันแทนที่จะสุกอ่าก็แค่นี้ก็ฝึกสติเข้าไปเดี๋ยวก็ได้ขี่คอพี่เหลียดเองอ่ะทีไปเสียดายทำไมมันทําให้เราทุกข์มาปิดพบกี่ชาติมาแล้วเป็นท่านรับใช่พมานมมานานแล้วจะไปเลี้ยงมันไว้ทำไมก็ฝึกเข้าเข้าไปทำไมอยากเป็นภ่านมันก็ฝึกสตินะทําความรู้สึกตัวเข้าไปนี่ทำได้ทั้งวันก็บอกแล้วไตจองนั่งหลับตาเนี่เราจะคอยแต่เวลานั่งหลับตาอย่างเดียว ได้กี่นาทีอะสนุกนั่งหลับตาขึ้นเชิงเมืองเนี้ยมันอยู่ถึงนาทีหรือเปล่าอบริกรรมทียิบปุปุ๊มันยังออกไปได้ขณะทียิบคนนั้นนี่ไม่ออกไปคิดได้เนี่ยได้จะรอไปแต่เวลานั่งหลับจาเนี่ยมันทันหรอทันกิเลสหรือเขาลงจากคอยังไล่ะขนาดเราทําสติทั้งวันแบบนี้เมื่ีกีเป็นผัแล้วมันฉี่คออยู่เรื่อยก็เป็นธาตุเพราะมจบไม่สิ้นนะมันจบทุกอยู่ตลอดแล้วเป็น ที่ข้ารับใช้เขาอยู่นั่นมันไม่เป็นไทยสักทีแหละตกฝึกให้มันรู้ตัวทั้งวันเนี่ยมันเผอรีบเอามารู้ตัวอย่าให้มันจูงจมูกไปไกลเห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเรียกให้ไทยรอดไหนก็น้องหมาเขายังฝึกได้แต่นี่เราเป็นคนแท้ๆเราทําไมถึงสูส้เข้าไม่ได้อะเลอดวงเอาไฟจุดวงนั่นก็ให้มันกระโดดรอดเห็นมันทํําทาไมทําได้ทําครบพูดภาษาคนก็ไม่ได้อแต่นี่เรา เป็นคนพร้อมที่จะน้อมรับคําสอนพุทธเจ้ามาไปพุทธปฏิบัติแต่เราไม่เอาเราไปเชื่อแต่ ก, กิเลสมาเตลหูอยู่นั่นกลวงจ้หมูไปทั้งวันอยู่นั่ น, นะจะเป็นลิสระจากมันได้ไงเราไม่ต่อสู้มั น, นะอเมื่อเช้าหลวงพ่อบอกว่าในระยะแรกของการฝึกนะครับเหมือนเหมือนว่าเราคิดเยอะคิดยาวๆแล้วมันจะค่อยหดลงชั้นลงมันจะชั้นลงคิดไปไกลแค่ไหนก็เอากลับมาต้องเริ่มชั้นลงมันจะตัดสั้นเข้ามาเรื่อยตัดชั้นเข้ามาเรื่อย ตัดทันลงเหมือนตัดพบจัชาติตัดพบจัดชาติมาพร้อมกันเลยสติทันไว้เท่าไหร่พบชาติกระสั้นลงเท่านั้นการเกิดตายสั้นลงเท่านั้นอยู่ที่ชติทันเนี่ยคิดไปถึงไหนก็ตัดเอากลับเข้ามาเอากลับมาให้ไว้จนมันเป็นมหาสติอย่างที่บอกเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นมหาสติเนี่ย ฝึกมันจนมันเป็นมหาสติเนี่ยจากสติที่หลงหลงลืมลืมเผลออยู่ทั้งวันเขาจูงจมูกไปทั้งวันเนี่ยต่อไปกีเดตก็จูงจมูกยากแล้วพอรู้ทันมันสติดีขึ้นก็นตัดสั้นมาเรื่อตัดสั้นมาเรืยอการเกิดายก็สั้นลงมันจะสั้นลงเพราะเราสติรู้ทันนะไม่ใช่สั้นลงเพราะกีเดีดกระจูงจมูกออกไปนี่แต่ยืดยาวออกไปพบชาติยิ่งยืดยาวแล้วนี่ถูกกระจูงจมูกไป ทุกจนมีสติอยู่ตลอดเวลางั้นั้นครับเจอกต่อไปมันจะเป็นอัตโนมัติเองก็บอกแล้วทำอะไรก็จะมีสติเอมันจะเป็นอัตโนมัติเขาไม่เองถไปเมื่อจิจด้สติจิตมีพลังด้วยสติมันก็จะสามารถที่จะทําให้ความคิดมันก็จะอามันก็ทันความคิดกระทันความคิดเพราะสติสมาธิปัญญามันจะไปเป็นเป็นไปด้วยกันจะกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเลยต่อไปนะเขาเรียกว่ากลมกลืนเป็นธรรมชาติ มันอัตโนมัติกลมกลืนเป็นธรรมชาติจะเป็นมหาสติเนี่ยมันจะทํางานเองโดยหลักธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องบังคับตอนนี้เราจะต้องบังคับเพราะมันเผลออยู่ทั้งวันมันไม่ลงจากคอเราใช่ไหมถ้าขอสับหัวก็ไปก็สั่งหันใจหันขวก็ต้องไปสั่งอดีตอนาคตก็ต้องไปทําให้มันแต่ที่นี้มันพอมันเป็นคลมกลืนเป็นธรรมชาติเป็นมหาสติแล้วมันไม่เผล่แล้วมันไม่ออกไปข้างนอกแล้วมันจะทํางานเองโดยหลักธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้บังคับมันตื่นเช้ามามันคว้างานทันที เขาเรียกว่าเป็นลูกงานแล้วอันนี้มันยังไม่ลูกงานไงฮะต้องจับมันถ้าเป็นปูก็จับใส่กระดงก็ออกอีกจับทั้งวันก็ออกทั้งวันเนี่ยตอนนั้นมันไม่ออกแล้วมันมันลูกงานแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแล้วทีนี้มันก็ถ้าเป็นผลไม้มันก็เหลืองถ้าเป็นมะม่วงก็เหลืองสุกขาต้นเนี้วรอเวลาดิบมันงอมจัดแล้วมันจะหลุดจากขั้วเองอ่ามันจะเป็นแบบนั้นมันหลุดจากก้วเนี่ยคือเนี่ยแหละมันไก่ที่มันอยู่ในไข่มันก็เทาะ แองไขออกมาเป็นอิสระนะแบบเดียวกันอ่ามันแบบเดียวกันเนี่ยทำจนเห็นความคิดเลยเนี่ยสติอ่าจะเห็นความคิดนะอมันเห็นความคิดแล้วเนะี่ยมันถึงจะไม่ไปกับความมันถึงจะไม่ไปกับความโกรธตอนนี้ยังไปอยู่เพราะอะไรสติเราจังไม่ทันมันอกาสครับอ่อาใวเราเป็นลูกี่อ่าเราอพ่อแม่ที่บอกว่าอย่้องโกรกันเขาจะทำาักับพ่อแม่ ก็กนน ค, ค, คือเราเราก็อาภาัยให้ท่านเถอะเพราะว่าพ่อแม่เราเสด็จเขาเสด็จที่บา้านได้ไเราก็ทำหน้าที่ลูกของเราเหมือนเดิมนะววววทำหน้าที่เราเอาความความดีของเราทำดีต่อพ่อแม่เหมือนเดิมมันแหละนะถึงท่านจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ท่านก็เป็นผู้ให้กำเนิดเราเลี้ยงดูเรามา มันก็อาจจะเป็นเวรเป็นกรรมกันถึงได้มาเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องบางทีพี่น้องกันลูกแฝดยังไม่ถูกกันเลยก็มีมันไม่เยมันอยู่ที่จิตใจนะมันเป็นกรรมกันมาร่วมกันมาก็นั่ะเราต้องยอมรับยอมรับองเผายอมรับยอมรับใช้ชดใช้ไปให้มันหมดกันในชาตินี้ไม่ได้ว่าพ่อแม่ไม่ไดว่าเรานะเราเราเอาใจให้ท่านเอเราทำหน้าที่ลูกของเราเสมอต้นเสมอปลายไปท่านจะยังไงก็แล้วแต่ เดี๋ยวพาพ่อแม่มาฟังสติด้วยพร้อมๆกันคือเคนยุคใหม่เขาฝึกชุดอาจจะฝกง่ายนะพ่อแม่เราแบเออมันก็ดกับกับกับพอจะฝึกได้หรอกถ้าถ้าถ้าถ้าทำตามนะแต่เราไม่ไ้เออพยายามทำตามที่ได้ยินได้ฟังก็พอจะเป็นจะไปอยู่นะนอกจากว่า คนไข่ไม่รับยางก็หมอก็คงช่วยไม่ได้อ่ามันอยู่ที่คนไข้ด้วยไม่หมอจะเก่งขนาดไหนถ้าคนไข้ไม่รับยามันก็โรค ก, ก็ไม่หายนะแต่ถ้าคนไข้ก็รับยาหมอก็เก่งด้วยอย่างเงี้ยก็โรคหายโรค ก, ก็หายขาดนะโรคอ่าคือที่บ้านนะคะ่ะข้างบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงหมาห้าตัวเลี้ยงแมว ก, ก็ห้าตัวประมาณนะคะเพราะว่า เวลาเขาเหาเนี่ยเอ่อเห่าแรงมากเลยค่ะกลางคืนเห่าทีหนึ่งทีสองจะเห่าตลอดทั้งเห่าทั้งหอนนะคะสองปีแล้วค่ะที่ที่ที่ตัวเองอ่ะอดทนมาแล้วก็มันก็รู้สึกว่าพยายามสอนตัวเองว่าเราโชคดีนะที่เราเกิดจะเป็นมนุษย์เราโชคดีที่ที่เรามีสติมีปัญญาเหนือกว่าหมาเขามีหน้าที่คือเห่าเพราะฉะนั้นเขาเห่าก็เป็นเรื่องหน้าที่ของเขา นั้นเราก็ต้องใจเย็นมีเมตตากับนี้อย่างนี้ยค่ะก็ถือว่าเรามีความอดทนติดไหมคะคันติบาลามีค่ะแมวก็จติดแมวก็ข้าหลวงพ่อก็ได้ยินบ่อยในเรื่องโตเพศนี้นะฉีแบบบ้าก็เหม็นเราก็ต้องแบบอดทนอย่างเงี้ยทำอะไรของแตกตลอดก็ต้องอดทนต้องอดทนแผ่เมตตาให้เขาไปยิ่งเราภาวนาอย่างนี้อยู่แล้วนะเดี๋ยวต่อไปมันก็ค่อยๆจะเบาไปเองหรอก เพราะว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติทำอะไรอย่างเราแล้วโทษหมาก็ไม่ได้หมามันไม่รู้เรื่องหรอกมันก็เป็นเจ้าของหมานั่นที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเองเนาะ นั่นแหละเราก็แผ่แม่จาไปให้ทั้งหมาท่านเจ้าของหมานั่นแหละีทั้งเห่าทั้งหอนั่นแหละมันก็ต้องอดทนขันติบาลมีไปก่อนแล้วแพ่อได้กินมาหลายอันนี้ก็รู้สึกเขินใจเหมือนกันทุงมีข่าวมาว่าแบบมีทะเลาะอาจารยว่าเขาอดทนมาเหมือนกันสองนั่นแหละเ้าก็ปากขวดปากอะนั่นแหละนั่นแหละทีนี่เราเราอดทนไปก่อนเถอะเราก็เลยบอกว่าโชคดีที่เขามาเป็นครูโชคดีที่เขามาเป็นครูนั่นแหละนั่นแหละอดทนนั่นแหละเราเขามาฝึกให้เรามีขันติบารมีด้วย อ่าแล้วก็กเราก็ทําภาวนาไปมันได้เรียบคนที่เขาไม่ภาวนาอย่างนี้หละอันนี้ถือว่าแบบคนที่ได้มีธรรมะตรงนี้อ่าก็ก็แผ่เมตตาให้เขาไปเอาโหสิกรรมให้เขาไปไม่จองเวนกันนั่นแหละเวนทั้งหลายยอมระงับด้วยการไม่จองเวนนะเออทําอย่างนั้นแ่ะดีแล้วเขาตบมือข้างเดียวแล้วไม่ตบตอบมันก็มันก็หมดปัญหาฮไม่มีการจองเวนกัน ถ้าต่างคนต่างไม่ยอมก็อย่างว่าไอ้ตัวที่สี่คอมันจะไม่ค่อยให้ยอมเท่าไหร่นะอ่ามันถือแต่ขอไว้เดี๋ยวค่อยสับค่อยเฉกอยู่นี่ยอ่าถ้าเรายอมได้นะเออเราจะเหนือกิเลสแล้วอ่าตัวตนเราจะน้อยลงถ้าเรายอมได้นะไอ้ตัวสี่คออยู่มันจะไม่ให้เราย้อมอย่างเยอะเนี่ะแต่เราจะยอมเช่อย่างเน่ะเราจะเราจะเหนือมันถ้าเรายอมเราชนะกิเลสนะอ่าเราจะไปแพ้มันไก่เลยทำแบบนี้กับเาเออนั่นแหละ น, น, น, น, นั่นละนั่นละนั่นละมันจะได้บารมีใหญ่ขันติบารมีใหญ่เลยทีนี้ <c oughs> แลวก็ตั้งใจภาวนาอย่างหลวงพ่อบอกเนี่ยอย่าไปเอาแต่เวลาหลับตานะแล้วก็ก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาสักห น, นาทีสินาทีหรือใจทม า, า, เ, าเท่าไหร่ก็แผ่เมตตาให้เขา <c oughs> ออ <c oughs> เออนั่นละ <c oughs> ่ะใจมันมันมันไม่มีเวลาซะแล้วล่ะไก่ทุกวันเนี่ยมขันไม่มีเวลานะไว <c oughs> <c oughs> มันเถอะนะ มันแก้ที่ใจเรานี่แหละนะได้แก้คนอื่นไม่ได้หรอกเลา่บเป็นบ้าตาตาดำใช่ไหมอ่าอ่าน่ะ่า่ะเราก็เนี่ยละทไงได้ต้องต้องอดทนหลวงพ่อได้ยินมาหลายหลายเคลอยู่ที่มาพูดเราไปให้หลวงพ่อฟังนะอ่าน่ะละทนอดทนเอาแล้วก็แผ่เมตตานะเดี๋ยวก็จะค่อยที่เราเบาบางไปเองหรอกอ่านะ่าน่ะเราดีแล้วที่เราภาวนาดี